ยี่ a ิบเอ็ดอิปปตการสนทนา2โลการธีเยคุณมาจากไหนคะนี่วูเยลลินดาบันดิดดีดมาจากบาเซลค่ะ บาเซลนินดาบาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลสวิสเซอร์แลนด์นัลลีอิดเอดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะนานุนิมเกรีมานมิลเลอร์อวรันโนปริชัยสเลเขาเป็นคนต่างชาติอวรู้หรเดชดวรุ เขาพูดได้หลายภาษาเขารู้บะลฮ้าภากรนมาตนาดุตตาเคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะนี่วูโมดลาบาริเกอิลลีเกบันดิดดีนะไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะอิลล่นานูโฮดวร์วโอมอิลลี่เกบันดิดเด แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะอาดเร่คเวลาวนดูวารดาหมัดติเกมาตรคุณชอบที่นี่ไหมคะนิมาเก่นัมมะบลีเฮเกเอ็นิสุตเต้คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะนานาเก่ตุมบาเิดิสิเอิลลียจนารูตุ้มบาวลเลยวรู และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะยีจา a านานเกตุมบาอิชตวาจิเดคุณทำงานอาะไรคะนิวเยนวรุตติมาดุตตีริดิฉันเป็นนักแปลนานูภาษาอังกฤษดิฉันแปลหนังสือ น้านูพุสตกกลน้าวาชานตริสุดเตเนคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะนิวอิลลีอบบเรอิดดีนะไม่ใช่สามมีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยคะ่ะอิลล่นั่นเห็นด้ตีนันน่ะกันดสหอิลลิดารเอและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน อีบรูนันนาอีบรูมักกะโ